พระธรรมเทศนาแผ่นที่58ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2556นณวัดป่านาคูลจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าการได้เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วันนี้ก็นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสําหรับสิทธิาณุสิทธิ์ขององหลวงปู่ของพวกเราอายุของหลวงปู่ของเราก็ได้87ปีคณะสัตยาธิษฐานโยมไม่ใช่น้อยนะอายุ87ปีท่านหลวงพ่อนี่หลวงพ่ออินนี่อายุ69นักคณะสัตยาธิษฐานโยมปีหน้านก็กจะ70ละแต่หลวงปู่ของเรา แกกว่าหลวงพ่อเนี่ปีปีถือว่าเป็นพ่อของหลวงพ่อได้เลยละ่ะนี่แหละถือว่าจะมยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านตาดหลวงปู่นี่แหละเป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเราหลวงพี่ชายรองก็คือหลวงปู่ลีกุสระท่าโลผาแดงนี่แหละอยู่ด้วยกันมานมนานทีเดียวจากนั้นลวงปู่ก็ได้ออกมาบิเ ว, วกมาจาบรรษาอยู่ที่ถ้ำหีบ อำเภอบ้านผือจากนั้นท่านก็เลยไปจําพรรษาที่ภูหลังกาอยู่หลายปีจากนั้นท่านเลยมาจำพรรษาที่บ้านใหม่แล้วก็มาจําพรรษาที่บ้านนาคูนของพวกเรานี่แหละหลวงปู่ของเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่หลวงตาเรียกหลวงปู่ของเราในท่านใหญ่ท่านว่าท่านใหญ่ใครเข้าว่าท่านเรียกหลวงปู่ของเราในท่านใหญ่ท่านใหญ่ แหมพวกเราก็นาเน่ยเคารพหลวงปู่เมื่อท่านอยู่บ้านตาท่านก็โอบอ้อมอารีพวกน้องๆทั้งหลายดีมากไม่เคยคิดเลยที่จะฆ่าน้องพูดง่ายๆถ้าองค์ไหนทําผิดไม่ดียังไงท่านก็ถึงจะท่านจะไม่พอใจยังไงถ้าไม่กระทบกระแทกท่านท่านก็ยังอดกัน้นคําว่าจะไปฟ้องหลวงตานี่หลวงปู่บุญมีของเราเนี่ยไม่มีนะ แปลว่าเป็นผู้ที่หนักแน่นสําหรับน้องๆทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองเคารพในองค์หลวงปู่ของเราเนี่เหมือนกับพี่ชายใหญ่นะหลวงปู่ลีเนี่ยเหมือนพี่ชายรองลงมาฟังๆโดยยี่สิกว่าปีมั้งหลวงปู่อยู่นานนะนี่แหละอยู่กับหลวงปู่เพราะว่าถือว่าขณะ น, นี้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหลวงปู่นี่เป็นเป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเราท่านทั้งหลาย วันนั้นวันนี้คณะรัทายาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่เข้ามาในงานวันเกิดของหลวงปู่จึงดูดูแล้วก็อุ่นหนาฝาคั่งเป็นที่ปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวสมโภชธนิยกถาคงจะไม่พูดไม่ยาวนะคณะัทธาญาติโยมขอจะพูดสักชั่วระยะหนึ่งให้ตั้งใจฟังนะ หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังเป็นแนวความคิดถ้าหากว่าเรามางานใหญ่อย่างนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ไหนขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเลยๆก็ดูรู้สึกว่ามันจะขาดอีกเหมือนกันนั่นะเพราะนั้นพวกเราได้มานานทีจากจารุรทิศได้เข้ามาทำบุญวันสำคัญเช่นนี้ก็ควรจะได้ฟังอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวความคิดสาหรับพวกเราต่อไปหลวงพ่อจะ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 สมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมชากัจฉาเอตัมมังคารมุตตะมันตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราคณะสัทธ า, าติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญวันเกิดของหลวงปู่บุญมีของพวกเราที่เป็น เสมือนเป็นหลวงปู่เป็นหลวงตาแต่สําหรับหลวงพ่อเองเรียกว่าเป็นพี่ชายใหญ่ของหลวงพ่อกว่านั้นคณะทา ญ, ญาติโยมทั้งหลายพร้อมกันก็ได้เห็นพระสงฆ์ที่มานั่งอยู่จะเป็นจํานวนมากเป็นพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูบาอาจารย์เป็นแนวแถวสายของหลวงปู่มั่นของพวกเรา เป็นที่พวกเราได้เห็นพระสงฆ์มากอย่างนี้จะหาได้ที่ไหนยากมากที่จะพวกเราจะได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าสมนานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมงคลอย่างยิ่งส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองอยากจะเรียนให้คณะรัทธายาิโจมหรือ พระสงฆ์น้องนุ่งทั้งหลายอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเดินตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นคือเดี๋ยวนี้เมื่อหลวงตาครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ล่วงลับดับขันไปมีผู้คนทั้งหลายเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนานาจิตต่างนานาทัศนะแต่ตามไม่จริงเราก็ไม่ว่าเราก็ไม่ว่ากระทุกทุกคนนั่นะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านวางกรรมาฐานไว้ท่านม่ไมอบหมายให้กับผู้ใดใครผู้หนึ่งมอบไว้กับพุทธบริษัทสี่ของพระพุทธเจ้าและกรรมาฐานของพระพุทธเจ้านั้นท่านก็วางไว้อีกสี่สิบอย่างกรรมฐาน40ที่จะทําจิตใจให้สงบแล้วก็มากกว่านั้นอีกปีกย่อยสุดแท้แต่ผู้ใดจะนํามาพิจารณา แต่สรุปแล้วก็คือให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ทุกวันนี้มีสายต่างๆที่มาพูดแสดงความคิดเห็นแต่คณะสัตยาญาติโยมผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วก็จะสับสนเพออราะเหตุใดเพราะพวกเราไม่ได้เรียนศึกษาให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมฐาน40นั่นคืออะไร อ, อย่างนี้เป็นต้น แล้วก็พวกเราก็เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วก็ท่านแนะนําของพิธีการของท่านพวกเราก็ปฏิบัติไปองค์หนึ่งแนะนําอย่างหนึ่งองค์หนึ่งแนะนําอย่างหนึ่งพวกเราก็เลยไม่รู้จะเดินทางไหนอันนี้คือจุดนี้หลวงพ่อได้เจอกับคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมที่เข้าไปหาหลวงพ่อหลายหลายคนการที่จะปฏิบัติธรรม เรื่องจิตภาวนาเนี่ยไม่รู้จะเดินทางไหนเพราอไปนั้นจะเลยสับสนพอสับสนแล้วก็บางคนก็เดินตามลิมิตจนจะเป็นบ้าเป็นบอกก็มีท่นี่เพราะว่ามันเดินปฏิบัติไปในทางที่ผิดมีแต่ใจร้อนทําไมปฏิบัติแล้วทําไมจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจแต่ทําไมมันร้อนขึ้นมาอย่างนี้หรือมันทําไมจึงเป็นอย่างนี้ ทำไมจึงผิดปกติอย่างนี้เผลอๆจะเหมือนเป็นบ้าเป็นบอผู้ที่อยู่ใกล้ก็ไม่สบายใจเพราะส่งจิตออกนอกสนะิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเคยพบเคยเจอเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองอยากจะพูดในที่สาธารณะอย่างนี้แหละเพราะพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนถ้าเปรียบเทียบกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบได้หลายๆอย่าง อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าวิธีการหาเงินหาเงินของคนมีมากหลากหลายบางทีบางคนก็ทำนาก็ได้เงินทำสวนยางก็ได้เงินทำไร่ข้าวโพดก็ได้เงินมาค้าขายก็ได้เงินมากหลากหลายเป็นข้าราชการหลายวิชาอาชีพตำรวจทหารพิพากษาอายการเป็นครูบาอาจารย์ล้วนแล้วแต่ได้เงิน แต่ทีนี้เมื่อการได้เงินมานั้นน่ะไปถามคนหนึ่งวิธีหาเงินทําอย่างไรคนที่เขาเป็นข้าราชการเขาบอวิธีหาเงินคืต้องเรียนหนังสือและก็สอบจากนั้นก็ทำทำการทํางานจากนั้นพวกทําสวนยางเขาก็บอกว่าต้องเพาะยางอย่างนี้ต้องอก้ายางอย่างนี้ต้องปลูกยางอย่างนี้แล้วก็เกี่ยวางขายก็ได้เงินพวกที่ทําเข้าโพด ก, กับ แนะนำอีกอย่างหนึ่งมีมากหลากหลายทีนี้พวกเราจะไปทำทุกวิชาอาชีพเจาก่อนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปทำตามเราไปทำตามได้ยังไงเพราะมันมีมากหลากหลายเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนำวิธีการแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นในท่านสอนแนะนำอย่างไรถ้าจะเปรียบเทียบเอาหลวงพ่อให้เปรียบเทียบเอาหลวงปู่มั่นของเราเนี่ให้วิธีการทานาไปแล้วกัน วิธีการทำนาหลวงปู่มั่นสอนวิธีการทำนาคือวิชานึ่งแขนงหนึ่ ง, นนงในการประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านว่าเวลาเราจะปฏิบัติธรรมเรื่องจิตภาวนานี่แหละเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราคงจะได้ยินได้ฟังพอสมควรนั่นแหะนะหลวงพ่อจะเน้นเรื่องภาวนาเพราะมีเวลาจํากัดเพราะพวกเราเป็นส่วนใหญ่ที่มานี้ ล้วนแล้วจะเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะสมควรยิ่งที่จะต้องเรื่องพูดเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติหลวงปู่มั่นท่านสอนนะอย่างหลวงพ่อเนี่เป็นสมบันเณรอยู่กับหลวงปู่ล่าท่านหลวงปู่ท่านก็อนสอนวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นก่อนที่จะปฏิบัติหรือวิธีการภาวนา เอานั่งภาวนาก่อนนะก่อนที่เราจะนั่งภาวนาเนี่ยเรากราบพระซะก่อนหมอนของเราอยู่ทางไหนให้เรากราบไปทางหมอนที่เราจะนอนกราบพุทธโธธรรมโมสังโฆหลวงปู่ล่าให้แถมว่านิพพานังกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานแต่พระพุทธรลปไม่มีนะไม่ต้องตั้งพระพุทธโลกอะไรคือพระพุทธรลปเรานึกอยู่ในใจคือเราไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเรานัเรากราบถึงสาครั้งจากนั้นก็เราก็ไหว้พานอาลาหังสวากาโตสุปฏิปันโนจากนั้นก็นัโมตัดสะพระคขาวาโตจากนั้นเราจะสวด อ, อิติปิโสด้วยกว็ได้นะอิติปิโสรพระวาระหังสมาสามพุทโธจากนั้นถ้าได้กายเยด้วยได้ยิ่งดีกายเว ย, วาายยวาวจายกวเจสสวาพุเทกุกัมมังข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพรั้งพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจา และด้วยใจขอพระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาหัวสีให้กับข้าพเจ้าด้วยกามิกาเยนะจารนั้นก็สวากขาโตพระวตาธรรมโมและกกาเยข้าพเจ้าประมาทพลาดพังพระธรรมด้วยกายด้วยวาจานีและก็สุปฏิปโนพระขวโตสาวกสังโฆกาบพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็กายเยข้าพเจ้าขอได้ประมาทพลาดพังต่อพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจากนั้นก็แผ่เมตตาให้แผ่เมตตา อาหารสุคิโตโฮมิก็ได้แต่ว่าเป็นภาษาบาลีถ้าหากว่าเป็นภาษาใจของเราเน่ยจะดีกว่าเพิ่งเราจะสวดเป็นภาษาบาลีจบแล้วให้พูดเป็นภาษาใจให้ตั้งใจให้แน่วแน่นึกข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าปราร อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินอันนี้คือคือเราแผ่เมตตาอยากจะให้ผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันทุกวิญญาณจากนั้นก็นั่งขจมาทีขาขว า, ท, ข า, า, ข า, ขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้ประนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบ จากนั้นเอามือลงจากนั้นเอากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทนี่อันนี้แหละคือหลวงปู่มั่นท่านสอนนะสอนกรรมฐานลูกศิษย์ของท่านจะเป็นหลวงปู่ฟั่นก็ดีหลวงปู่เทศก็ดีหลวงตาก็าดีหลวงปู่ล่าก็าดีครูบาอาจารย์ที่เป็นสายหลวงปู่มั่นท่านให้ภาวนาบริกรรมพุทโทเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีสติสัมปชัญญะ แต่แล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพุทธประวัติหรือประถมะสมโพธิ์หรือว่าพุทธพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนั่นน่ะท่านทำยังไงพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิเหมือนกันตอนหัวค่ำพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันเดือนหกเพนนนั้นนายโสธิยะได้หาบญ้าคามาผ่านแล้วก็ถวายพระองค์ พระ อ, องค์ได้รับยาคาจากนายโสธิยะ8ดกำมือจากนั้นก็เกลีย่ยลงมาที่โคนท้นโพจากนั้นขึ้นนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารั้วาหายใจเขาาจออ้าหายใจออกรั้วหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ในวันเดือนหกเพน จากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์ความรู้สึกของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาในช่วงนั้นพระ อ, องค์ระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละปุเพนิวาสารุจติยานระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะคณะทายญาติโยมลูกหลานตายแล้วเกิดเอก พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าน่ะตายแล้วเกิดอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านก็พูดท่านพิสูจน์มาแล้วถวัดตายแล้วเกิดอีกนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพอถึงเที่ยงคืนจุดปูปาฏายานท่านมองดูคนอื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นที่ว่าการจุติการเกิดการตายของสรรพสัตว์ พอจวนสว่างพบพระองค์มองดูใจของพระ อ, องค์ชำละกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระ อ, องค์ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพ่นนั้นแต่หลวงปู่มั่นของเราเท่านให้นั่งขัดสมาธิอย่างที่ว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายำกำไกให้ตรงจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้า หายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทเพราะว่าอนุสติ10ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้กรรมฐาน40นะอนุสติ1สิบคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศรานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานุสติเออนี่แหละแต่หลวงปู่มั่นของเราเอากกรรมฐานสองอย่างมาผนวกกัน คือเอากรรมฐานพุทธานุสติผนวกกับลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละขอให้พวกเรายึดตามแนวแถวนี้ยึดตามแนวแถวหลวงปู่มัน่นจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจของเราบริกรรมพุทโธพุทโธแต่มันยังแสปไปอยู่มันยังเผลอไปอยู่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นเขาบอกว่าให้ภาวนาพุทโธให้ถี่นะ เนีพอมันหลุดออกไปต้องเราทดลองมันถีขึ้นไปอีกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือให้ใจของเราบริกรรมให้ใจของเราบริกรรมแต่ไม่ให้ออกปากนะับให้ใจของเราให้สัมทับอยู่กับกับใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเองขอแนะนาําคณะทาญาติโจมลูกหลานอีกว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ พิจารณาเลยแล้วเออได้แนวแถวนี่แหละหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละแต่ว่ามันยังแสลปมันยังเผลอได้หลวงพ่อเฮทดทดลองนับนะลูกหลานนะคือนับดูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับสี่นับห้านับหกถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอเออแล้วก็นับอีกสักสามสี่ห้าหกเที่ยวจากนั้นจะค่อยบริกรรมพุทโถต่อ ถ้ามันจะเผลอเผลอยังไงก็คือหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่คี้คู่ไปถึงร้อยถ้ามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอเบอร์เสร็จแล้วมันก็หายใจคู่หายใจออกขี้แล้วนะเสนี่นี่แหละให้พวกเราสังเกตอันนี้เห็นได้ชัดเห็นได้เร็วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านลูกหลานทุกคนนันอันนี้คือบริกรรมที่จะทําจิตใจให้สงบเป็นเบื้องต้น จากนั้นใจของเราถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความสนใจในการที่จะทำจิตใจให้สงบเราก็พยายามบังคับให้อยู่กับตัวเองครับว่าบังคับนะฟังว่าว่าบังคับไม่ใช่ว่าตามตามอเภอใจหรือตามอัถาใจนะบังคับให้อยู่กับพุทธโธเวลาเราเดินเดินจะทำยังไงมีทางใดินงกรมเราก็กำหนดตรงไหนก็ได้ที่มันเรียบราบ จากนั้นเราก็ปนมมือซะก่อนถ้าจะเอาจริงจังนะปนมมือขึ้นระหว่างอกพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรมโมสังโฆจากนั้นก็ก้าวขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโธพุทธโธแต่จะไปก้าวช้านะก้าวเดินตามปกติเหมือนเราเดินไปที่ไหนเนี่ยนะเพราะจิตใจของเรามันเร็วยิ่ยงกว่าอะไรเวลานั้นท่านไม่ให้เดินช้านะเดินปกติแต่วิธีเดินจะโ ก, กมนั้น ท่านไม่เอามือคขวยหลังธนบัตรนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านถือมากนะสายหลวงปู่มั่นนะบอกว่าอย่าเอามือคขวยหลังจะแกวงแขนอย่าเอามือกอดอกให้เอามือไว้ที่ระหว่างท้องน้อยมอมือประสานกันอันนี้นคือลักษณะท่าลำพึงถ้าใข้ควรถ้าคุ้นคิดถ้าวางมือลักษณะนี้จากนั้นก็เดินยกองอมขาขวาพุข า, ข า, ขาซ้ายโถพุทโถพุท โถพุทโถพุทธโถจะเลี้ยวขวาก็ได้เรียกว่าประทักศิล์แต่สุดแท้แต่ท่านจุดนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคือความถนัดของของผู้เดินจงกลมแต่ถ้าว่าเป็นไปได้ประทักศิลเวียนขวาหันขวาจากนั้นก็ขาขวาพุทซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทธโถแต่บางคนยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อได้ยินขึ้นมา อ, อีกบอกว่าเอ้า ถ้าเราเอาพุโทโธลงไปย่าในเท้าของเรานะ่ยมันจะเป็นไม่เป็นบาปเหรือเพราะว่าเราเอาพุโทโธลงไปย่ําในเท้าตีนของเราอันนี้ก็มีคนพูดขึ้นมาแต่หลวงพ่อก็แก้ว่าการที่ว่าเท้าหรือศีรษะศีรษะหรือเท้าเนี่ยใครเป็นผลให้สมมุติว่าสูงหรือต่ําศีรษะมันบอกว่าค่าในสูงมันดูถูกเท้าว่าต่ําอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่ได้ว่ามีแต่ใจของเราเนี่ย ใจของพวกเราที่ภาวนาเนี่ยไปบอกว่าเท้าต่ําว่าศีษะสูงมันสูงด้วยการทั้งหมดนะทั้งศีษะทั้งเท้าถ้าว่าศีษะอวดตัวว่าสูงนะลองลองตัดขาทิ้งเลสิมันจะเดินได้ไหมแต่ถ้าว่าเท้าอวดดีอีกพกขานี่แล้วพาเดินก็ตัดคอทิ้งเลสิเท้ามันจะเดินได้ไหมมันก็เดินไปได้อย่างเก่าเพราะนั้นเท้าด้วย เท้าก็าดีสีษะก็ดีอวัยวะทุกส่วนของพวกเราเสมอกันทั้งหมดเพราะนั้นเราจะไปถือว่าตรงนั้นประเสริฐตัวนี้นเลิศหรือตัวนั้นสูงตัวนี้นต่าร่างกายของเราทุกส่วนมันเหมือนกันทั้งหมดเพราะนั้นเราจะออกกรรมาฐานกำหนดอยู่จุดไหนในขณะที่เรานั่ง เ, เราก็นิ่งเราก็กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเราเดิน เ, เราก็ขาของเราก้าวไป เราก็ต้องกำหนดกับขาก้าว ข, ข, ของเราขาขวาพดขาซ้ายโถแต่ถ้าคำว่าเราปัดกวาดเนี่ยเราก็เวี่ยงขวาพดเวี่ยงซ้ายโถนี่แหละนี่คือวิธีการภาวนาที่จะทำจิตใจให้สงบจากนั้นเมื่อเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความสนใจอยู่อีกสักวันหนึ่งใจของเราจะเข้าสู่ความสงบการที่จิตใจเข้าสู่ความสงบนั้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่าก็บอกว่ามีสามระดับจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมีอยู่สามอย่างคณิกะคือเข้าไปแล้วพอจิตรวมสงบประเดียวประดาครั้งหนึ่งถึงจะสงบเพียงครั้งเดียวนิดเดียวเราก็จิตใจในช่วงนะั้นรู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขมาก เย็นสบายจะจําไม่ลืมคพราะเพียงสงบเพียงประเดียวประดาเท่านั้นนะเย็นวาดเข้าไปสู่จิตใจลึกๆโห้ทาไมใจของเราเป็นอย่างนี้วะมันเผลหรือเปล่าหรือ ม, มันจะหลับหรือมันเป็นยังไงในช่วงนั้นะจนเราตัวเองก็ตกใจแล้วก็สรุ้งขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าใจของเราเอ๊ะทำไมมีความสุขเย็นแล้วเกินอันนี้คือจิตใจของเราเริ่มเริ่มจะเข้าสู่ความสงบแล้วนาะทีนี้นะอันนี้คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธินะี่คือ เรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเราไม่เผลอเรารู้จักใจของเราเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้ใจของเราปรุงเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรสติกับจิตนี่ติดตามกันตามกันรู้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรแต่เรายังรู้สึกทางกายนะได้ยินเสียงได้ยินคนพูดได้ยินอะไรแต่ว่าไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดอันนี้คือว่าอุปจารสมาธิจิตใจไม่ ไม่ออกไปข้างนอกจิตใจมันอยู่กับตัวเองแต่ว่ามันยังไม่นิ่งแต่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่จิตใจไม่หิวไม่โหยไม่กระวนกระวายจิตใจอยู่กับสมาธิสติกับจิตควบคุมกันอยู่อันนี้คืออุปจารสมาธิแต่พอมันรวมสงบลงไปอีกระดับหนึ่งแต่รวมระดับนั้นบางคนก็เหมือนกับตกเหวตกบ่อเหมือนกับมีอะไรมันเห็นว่าบหวามลงไป แต่ใจของเราเข้าไปอยู่ความสงบนิ่งจิตนิ่งประเภทนี้รวมประเภทนี้นะสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเมื่อจิตรวมสงบลงไปแล้วเนี่ยเรารู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้คือจิตสงบจิตรวมไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องถามถ้าถามคนอื่นก็ถามแบบลองลองเชิงไปอย่างนั้นะแต่ความมั่นใจในตัวเองนั่นและเรื่องจิตสงบประเภทนี้เรารู้ได้ แล้วก็เรามั่นใจอีกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตัวนี้แหละรู้ได้ชัดเลยร่างกายเป็นส่วนหนึ่งจิตใจเป็นส่วนหนึ่งคือสติกับจิตเออมันอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ร่างร่างกายของเราคื อ, คอส่วนหนึ่งเราก็ลำลึกถึงพระพุทธเจา้าเลยว่าโอ้พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่ามโนปุพังขามาธรรมมามโนเศรษามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วร่วใจตรงนี้เองหนอเนี่ยเราจะทํานึกได้เพราะว่าเมื่อจิตรวมสงบลงไปเป็นหนึ่งแล้วนั้นร่างกายของเราเนี่เหมือนกับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบอย่างนั้นทถนี้ร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับโซเฟอร์รถโซเฟอร์รถกับรถรถคันนี้จะไปได้ต้องอาศัยโซเฟอร์เอาโซเฟอร์เป็นคนขับเป็นคนขยั บ, ข ย, บขยื่น เป็นคนขึ้นไปขับแล้วก็รถคันนี้จึงจะไปได้ถ้าโซเฟอร์ไม่ขับรถคันนี้ก็ไปไม่ได้ไม่มีโซเฟอร์ขับเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนที่พุทธพุทธองค์ตรัสว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนอีกส่วนหนึ่งก็ว่าร่างกายของเราหรือว่ารู ป, ปรธรรมของเรานี้ ไกเป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าจะไปที่ไหนโซเฟอร์ต้องขับไปถ้าหากว่าโซเฟอร์นิสัยดีนิสัยไม่เกเรนิสัยสุภาพเรียบร้อยมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีก็พาร่างกายของเราไปในทางที่ดีแต่ถ้าว่าจิตใจของเราเป็นนักเรงเป็นหัวไม้เป็นคนไม่ดีเป็นภาละชน ก็ขับรถคันนี้พาร่างกายของเราไปทําความชั่วมากมายหลา ย, ลายอย่างเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่ดีเพราะฉะนั้นใจของเราในสมควรอย่างยิ่งจะต้องได้รับการอบรมจะรองรับการเสี่ยมสอนจะได้รับการกำดูศึกษาอาธรรมมเข้าสู่จิตใจของโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วอยู่ในร่างกายนี่ก็ร่างกายนี่ก็เป็น เป็นอริยะบุคคลเป็นพระโสดาเป็นพระสกทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระทหารเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละสรุปแล้วก็คือใจใจไี่เป็นใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจแต่ถึงยังไงเราจึงจึงจะรู้ที่นี่ในเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วอย่างนั้นจากนักน้น ม, นะมันถอนขึ้นมานะมันถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาเป็นขั้นอุปจารสมาธิเมื่ออุปจารสมาธินี่ นี่แหละขั้นนี้แหละที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้พิจารณาถึงให้พิจารณาอะไรถึงให้เดินวิปัสสนาแล้วนะที่นี่นะคือเมื่อทำจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งแล้วท่านไม่ให้อยู่เพียงแค่นั้นในขณะที่จิตสงบนั่นคือจิตพักผ่อนจิตนิ่งจิตรวมจิตไม่หิวไม่หวยจากนั้นเมื่อผ่านความสงบแล้วท่านให้พิจารณาร่างกาย พิจารณาอะไรร่างกายคือเจสาผมโลมาขนนักขเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกอาการสาสบสองที่พวกเราสวดนั่นแหละแยกส่วนแบ่งส่วนดูร่างกายพอแยกส่วนแบ่งส่วนเสร็จแล้วให้ถามใจของตัวเองถือตามตัวผู้รู้ร่างกายนี้เป็นของเราใช่ไหมใจ อ, อผมเป็นของเราใช่ไหมขนเป็นของเราเล็บหนังเป็นของเราใช่ไหมใจ ทีนี้ใจของเราก็เออถ้ามันแยกส่วนแบ่งส่วนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเป็นก้อนขึ้นมาเป็นร่างกายของเราก็คือเราเ ข, ขอไปยึดถือเพราะฉะนั้นอีกสักวันหนึ่งนะใจนะอย่าไปลุ่มหลงในในตัวเองนะอีกสักวันหนึ่งต้องทิ้งแน่ๆ น, นะต้องเผาไฟทิ้งแน่ๆ น, นะใจนะนี่แหละให้พิจารณาถึงกายกายและกัใจใจแล้กักายจากนั้นเมื่อพิจารณารู้เท่ารู้ทันเห็นแล้ว ใจของเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นกายแล้วก็เห็นใจเห็นใจแล้วก็เห็นกายจากนั้นก็นี่แหละปล่อยวางที่ใจเห็นอธิจางทุกขังอนัตตาที่ใจปล่อยวางที่ใจเมื่อใจของเราปล่อยวางแล้วเกิดนี่แหละความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็จะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นสวรรค์นิพพานไม่หาที่ไหนอยู่ที่ใจของเราทั้งหมดนักณะทถาญาติโยมลูกหลานทุก คนทุกองหนะ้าให้ภาวนาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นนี่แหละหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างนี้นะให้ท่านในพิจารณาที่แรกก็ให้ทำสมาธิทำจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนจากนั้นก็นำมาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเดินวิปัสสนาในเมื่อเราเดินวิปัสสนาแล้วเราก็จะพิจารณาถึงใจคือตัวผู้รู้เนี่แหละ ตัวผู้รู้ตัวใจนี่แหละสำคัญเรียว่ามาโนปุพังเข้ามาธรรมามาโนเสถามาโนมายาเนี่ยเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านให้เดินตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพราะวันั้นบางท่านบางคนพอจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนะเออให้ดูซิเทวดาอินพรมนรกสวรรค์มันเป็นยังไง พอเราส่งเข้าไปก็เห็นจริงๆนะคณะศรัทธาญาติโยมนะอันนี้พูดท่าพูดไปกันเนี่ยโยมพ่อของหลวงพ่อนี่นะอ่อจิตใจสงบมานานนั่นนงแต่หัวค่ําจนสว่างพรนั้นก็ได้ยินครูบาอาจารย์ที่เป็นญาติของท่านบอกเอ้ยผู้เท่าเวลานั่งภาวนาอย่างมันอยู่สงบสิต้องส่งจิตออกไปดูสิอ่อดูสิเทวบุตรเทวดาอินพรหม พบชาติคนตัวเองมายังไงไปยังไงไรจากนี้พอส่งจิตออกไปก็เห็นจริงๆพอเห็นครั้งแรกมั น, ม, นมันมันเลยทีพอเห็นทีแรกโอ้โหมันจริงว่ะเพอในโซ่ก็เลยลืมตัวเองคเลยเพ้อเพอจะเป็นบ้าเอาถึงโอโ้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเลยทีนี้เพราะนั้นส่งจิตออกนอกไม่เป็นผลดีนะขันษาทา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะให้อยู่กับพุทธโธนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นว่า เวลานั่งภาวนาไปเห็นเทวบุตรเทวดาอินทร์อมเอยอย่าไปส่งจิตออกนอกให้ส่งเข้ามาให้จิตใจให้สงบจากนั้นให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเกิดความเบื่อหน่ายถ้าลองมองไปเห็นจะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเรานั่งรถนั่งลาไปเห็นคู่คนตลาดบ้านช่องเอเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี่มีตั้งเยอะแยะมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรนะเพียงแต่สักว่า เ, เห็นเห็นเสร็จแล้วก็ เอามาเข้ามาตัวเองกับเกิดสัญญาอารมณ์เพ้อเพลยังลืมตัวอีกต่างหากมันไม่ใช่ผลดีนะลูกหลานนะส่งจิตออกนอกอย่าไปหลงในนิมิตนะพอเห็นนิมิตกับกลับมาหากรรมาฐานเดิมสมมงหมเราไปเห็นเทวบุตรเทวดาไปเห็นเปรตเห็นผีเห็นซากศพอะไรก็ตามถ้าเรานั่งภาวนาไปเห็นพบไปเห็นซากศพหรือเป็นอะไรน่ากลัว เราให้ย้อนกลับมาหากรรมฐานเดิมที่เราภาวนากาหนดพุทโธพุโ้โจรให้กลับมาหากรรมฐานเดิมนิมิตเหล่านั้นมันจะหายไม่ต้องไม่ต้องดูมันไม่ต้องดูดูให้อยู่กับพุทโธเนี่ยนะจากนั้นก็ให้แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้ดูโครงกระดูกของตัวเองนะนะั่นแหะเราทุกคนร่งอยู่ที่นี่มีโครงกระดูกทั้งนั้นนะมีโครงกระดูกนั่งอยู่เพราะฉะนั้นจะพิจารณาให้พิจารณาโครงกระดูกตั้งแต่หัวลงมามี คอมกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกชี้โครงกระดูกสันหลังกระดูกกระโปงกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้านี่แหละให้พิจารณาร่างกายให้เห็นตามความเป็นจริงในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราคนอื่นล่ะสามีภรรยาล่ะลูกหลานล่ะสาลาล่ะ เลือกสวนไร่นาละ่ะเงินคำทรัพย์สมบัติละ่ะจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายอีกสักวันหนึ่งจะต้องเผาไฟทิ้งสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วครั้งชั่วข่าวเท่านั้นอย่าไปยึดอย่าไปถือเออจนเกินไปถ้าบางคนก็ลุ่มหลงสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของตัวตนจนเป็นบ้าเป็นบอกับสิ่งเหล่านั้นแต่ตามไม่จริงร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรอันนี้ก็ ือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนของรพำำอองระพุทธศาสนาแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะพูดเป็นภาษาออกไปเขาก็จะว่าเราบ้าแต่ภาษาเนี่เป็นภาษาใจนะธรรมะเนี่เป็นภาษาใจของตนเองเราจะไปให้ความสำคัญอย่างอื่นจนเกินไปนะวันนี้ก็ได้มมกล่าวสมมติถาเบื้องต้นว่าขันติจะสูวจัจสตา สมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสากระชาความอดทนเป็นตบปะความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายโสวจัตชะตาอันนั้นก็เป็นมงคลการได้เห็นสมณะทั้งหลายการได้เจรจาธรรมโดยการที่เหมาะสมก็เป็นมงคลอย่างเจรจาธรรมที่เหมาะสมก็อย่างนี้ละที่มีงาน ขึ้นมาอย่างนี้แหละก็มีการว่ากล่าวทํำหรือว่ากล่าวสมโภชนียกถาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาการกลองไตรตองเพราะพวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง อ, อ, อย่างที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่าการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง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 มันเป็นเรื่องแท้จริงมากน้อยแค่ไหนว่าจินตามยะปัญญาและก็ภาวนามยะปัญญาเมื่อได้ยินแล้วก็นำไปประพุทธปฏิบัติท่านบอกให้ทํำยังไงจิตใจของเราจิตสงบตามแนวแถวสายลงปูมั่นขัดสานั่งขัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกถูกนี่แหละอันนี้คือภาวนามยปัญญาเมื่อภาวนาจิตใจของเราได้รับความสงบแล้วนําจิตใจที่ผ่านความสงบแล้วนั้น มาพิจารณาทางด้านปัญญาก็จะเปิดเกิดปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากเทปบ้างจากธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ้งางแล้วก็จากหนังสือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ทำมาเลิดเอาไว้พวกเราหมั่นศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็พวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นหนทาง แนวทางของพวกเราจะได้เดินถ้าพวกเราไม่รู้แผนที่ซะก่อนเราจะเดินทางถูกได้อย่างไรเมื่อเรารู้แนวทางปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วพวกเราก็นามาประพฤติปฏิบัติก็จะเดินถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพาดำเนินเพราะนั้นหลวงพ่อขอย้าอีกว่า แนวแถวของสายหลวงปู่มั่นของเราพวกเราลูกหลานทั้งหลายน่าจะตายใจได้น่าจะมอบกายถวายชีวิตในธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราได้เพราะเหตุใดเพราะหลวงปู่มั่นต้นตระกูลของพวกเราเมื่อท่านจากไปเห็นไหมท่านปรินิพานไปอธิทานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นหลวงปู่เสาก็เหมือนกันหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น กัล้วนแล้วแต่พวกเราได้เห็นอย่างของตามหาบัวเนี่ยอัติธาตุของท่านเนีกลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นต่อหน้าต่อตาของพวกเราพวกเราน่าจะตายใจได้ว่านี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยคือสายพระอรหันต์พูดอย่างนั้นไม่น่าจะผิดนะเพราะพวกเราเห็นแล้วเห็นแล้วว่าอัติธาตุของท่านเนี่ยได้กลายเป็นพระธาตุผู้ที่ได้กิดร่างกายกระดูกได้กลายเป็นพระธาตุเนี่ย ไม่ใช่อย่างอื่นท่านรับรองกันมาเป็นทอดๆว่านี้คือกระดูกของพระอรหรันตะ์เพราะนั้นพวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานนะให้ฟังเอาไว้นะให้ฟังเอาไว้คำนี้ก็ให้ฟังเอาไว้ให้พิสูจน์แล้าก็ให้ฟังแต่พวกเราพิสูจน์แล้วเนี่ยจิตใจสงบ เ, เข้าไปแล้วเนี่ยพวกเราจะเชื่อเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่ใช่เชื่ออย่างอื่นนะเชื่อ ในการประพุทธปฏิบัตินี่นะมันลึกซึ้งในจิตในใจของพวกเราทีเดียวนะในการกล่าวสัมมนธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้